คืนดำเกิงเป็นยังงบ้างเมื่อคืนนี้นะครับเออพอผมก็ลองเข้าฌานดูแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะใช้กําลังหรือฟอสมันเข้าไปไปล่อยเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรทั้งนั้นฮะมันมันวันวา ง, วางหมดคิดแต่ว่าจะเข้าไปพักผ่อนแค่นั้นเองก็ถึงไหนก็ได้ คือไม่จำเป็นชานเท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> ก็ปล่อยเขาก็เขา้าเขา้เขาไปเรื่อยๆนะเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงมาถึงชานที่สี่ซึ่งมันตั้ง9ก้าเดือนมาแล้วถึงมันเข้าไม่ได้แล้วเขา้ามามาหยุดอยู่ในนั้ น, นแล้วก็มันก็เห็นไ อ, ไอตัวผู้รู้ก็ก็ยังสว่างอยู่อย่างนั้นกดีแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ทีนี้เขาก็อยู่อย่างนั้นฮะเขาไม่ยอมออก ตอนออกเนี่ยต้องใช้กําลังออกต้องถอยออกมาแล้วก็ในระหว่างที่ถอยก็ดูอีตอนจุดที่เปลี่ยนที่ท่านเคยบอกว่าเป็นนาทีทองนะ mm hmm. จุดที่มันเปลี่ยน mm hmm. เปลี่ยนฌานเปลี่ยนเปลี่ยนออกมาเดี mm ๋ย hmm. วก็ท่องมออกนะแต่มันก็แปลกนะฮะมันมันไม่รู้สึกไอไอเหมือนจะตึงหัวทั้งหมดนมันไม่เหมือนทั้งก่อนถ้าเราไปบังคับมันครับถ้าไม่บังคับ เราแค่ระลึกแค่มนัสสิการค์คือในคําจริงๆที่ใช้นะเขาใช้คําว่ามนัสสิการค์ไอพวกเราชอบไปเพ่งมนัสสิการมันแค่ไปใส่ใจถึงเท่านั้นใส่ใจถึงอารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างสบายๆใจก็รวมเข้าไปเองปล่อยเข้าเข้าไปเข้าก็เข้าไปเรื่อยๆเข้าเขาก็เข้าเขาเองเพราะว่าเขามีความสุขถ้าเขามีความสุขเขาถึงเข้าได้ไม่มีความสุขไม่เข้าค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 แต่ทีนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเผือปล่อยไปเนี่ยทั้งคืนก็คงจะอยู่ก็อยู่ทั้งคืนได้พักผ่อนก็เลยมากราบเรียนท่านครับคนเรียนที่วัดนี้นะมีทุกแบบอะครับเข้าฌานก็มีอะไรก็ได้อะไรก็ได้เท่านั้นนะตามใจเนาะเรียนแบบตามใจเหมืเราขึ้นภูเขาถ้าเรายังไต่ภูเขาอยู่ยังขึ้นไม่ถึงยอดน่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 วันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ไม่มีความสุขวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งสร้างกี่ปีกี่ชาติเวียนอยู่แค่นี้เองถ้าไม่เวียนอยู่อย่างนี้ก็คือไปค้างคาอยู่กับความนิ่งๆว่างๆก็ไปเพ่งไว้กี่ปีกี่ชาติก็ว่างอยู่กั้นแหละแต่ว่ากิเลสไม่ละไม่ลดไม่ละถ้าเราช่างสังเกตจะเห็นเนละมันไม่ลดไม่ลากิเลสอะไรกิเลสครอบงําได้ เราคล่ำงำเราก็มาอธิบายนะว่าเป็นกิริยากิริยาจิตไม่ได้ถูกกิเลสคล่ำงำนะ <c oughs> กิริยาจิตเนี่ยจิตมันอยู่ต่างหากเลยจิตมันกว้างขวางไรขอบไรเขตดูออกไหมจิตที่มันกว้างขวางมันไม่มีขอบมีเขตอะไรมันไม่ใช่กิริยาจิตก็คือโทสะคล่ำงำโมโหโปลุมคลามปลมโคลามแล้วบอกว่ากิริยาจิตโมโหเป็นกิริยาไหมนะท่านครับขอเลยนถามอีกอาหนาเน ในขณะที่รู้รูปนามเนี่ยนะในขณะที่เอารูปนามเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับแล้วก็มีสติสมัชัญญะอยู่เนะี่ยก็ยังไม่เป็นวิปไม่ถึงวิปั ส, สนาแทะใช่ไหมฮะถ้าถึงเนี่ยต้องต้องไปเห็นไตรลักษณ์ต้องไปเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปั ส, สนาตรงนั้นตรงขณะที่เห็นนั่นเท่านั้นใช่ใชเพราะก่อนหน้านั้นก็คือการเตรียมตัวเท่านั้นเองเพื่อที่จะเข้าไปเห็นใช่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 ฉลาดนิดหน่อยถ้าพูดเอาใจนะฉลาดนิดหน่อยแต่จิตอีกดวงหนึ่งนะตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นความจริงของรูปของนามเห็นไตรลักษีกนี้ถึงจะมีปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเลยมีสองสเตป็ปการทำสติปัฏฐานะมีสองสเตป็ปสเต็ปที่หนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดสติสเต็ปที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาสองอันนี้ต่างกัน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 เช่นเรารู้ว่าเผลอเป็นยังไงแอบไปคิดเป็นยังไงพอใจมันไหลไปคิดแวบบสติเกิดเดงระลึกขึ้นได้ว่าเผลอไปแล้วนี่สติจริงๆคือความระลึกได้ไม่ใช่กำหนดนะสติกำหนดนี่ของปลอมเลยมันเป็นสมถารล้วนๆเลยน้่นสติคือความระลึกได้ระลึกได้เพราะจําได้จําได้เพราะเห็นบ่อยงั้นสติปัฏฐานนี่ยเบื้องต้นก็คือตามเห็นบ่อยๆเพื่อจะได้จําได้เป็นการตามเห็นทั้งนั้นเลย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 ขณะจิตต่อหน้าต่อตานี้เกิดขึ้นแว บ, บหนึ่งก็ดับไปแล้วนั่นมันจะเป็นการรู้ตามหลังตลอดนั้นสองสเตปนี้ไม่เหมือนกันแต่ขั้นแรกเหมือนกันนะท่านถึงใช้คําว่ากายานุปัสสนาการตามเห็นกายเป็นการตามนี่ตามมากเข้ามาเข้าสติตัวจริงเกิดพอสติตัวจริงเกิดเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีสายกายสายจิตแล้วถึงจนนุดนี้บางครั้งสติระลึกรู้กายลงเป็นปัจจุบัน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 ตรงนี้ก็เป็นญาณที่เคยหบเคยหบขึ้นมานะตั้งแต่นี้พี่ทายญาณขึ้นไปพนะยาตุปัฏฐานญาณอตินาวายญาณในกลุ่มนี้เป็นเป็นญาณพึ่งใจมันยังไม่ยอมรับมันไม่ยอมรับไตรลักษณ์แท้ๆนะไปเห็นไตรลักษณ์แต่สยองเนี่หลายคนภาวนาถึงตรงนี้โอ้แย่แะู้ไม่ก็เบื่อไปหมดเลยเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเบื่อละเอียดเบื่อหยาบ เบื่อภายในภายนอกเบื่อเสมอกําหนดเลยอะไรๆก็น่าเบื่อทั้งหมดเลยไม่เบื่ออันเดียวคือไม่เบื่อความเบือ่อนี่ถ้าสติปัญญานะีไม่ท้อถอยตามรู้ตามดูไปอีกวันนึ่งค่อยฉลาดขึ้นความรู้สึกแปลกปลอมทั้งหลายก็ยังเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมใจก็ให้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาคราวนี้รู้รูป ร, ร, รู้นามที่สแสดงไตรลักษณ์ด้วยความเป็นกลางตัวเนี้ยตัวจะแตก ห, กหักแล้ว พอมันรู้อย่างเป็นกลางมากเข้ามากเข้านะปัญญาแก่รอบจริงๆจะ ร, ร, รวมเข้าอัปปนาสมาธิเสร็จแล้วก็ยังเห็นรูปนามเกิดดับอีกสองขนาดบ้างสาขณะบ้า ง, าางแต่เป็นการเห็นแบบมีอนุโลมอย่างใจคล้อยตามสัจจะใจไม่ฝืนความจริงเลแต่เดิมนี้ที่ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยใจจะฝืนความจริงตลอดเลยของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงของเป็นทุกข์อยากให้สุขนะของบังคับไม่ได้อยากบังคับให้ได้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 เพราะถ้าเจือด้วยความจงใจนิดนึงมกักผลจะเกิดไม่ได้เลยเพดัะนั้นที่เราหัดรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวเนี่ยก็จะตัวรู้สึกตัวนี้จะเด่นขึ้นมาพอใจไม่หลงไปสู่อารมณ์อื่นแล้วมันจะทวนกระแสเข้ามาหาตัวรู้อัตโนมัติตัวเนี้ยอัตโนมัติดงนั้นต้องหัดมากๆถ้าหัดไม่พอเนี่ยพอมันวางอารมณ์นี้ปุ๊บมันจะไปคว้าอารมณ์อื่นต่อมันจะไม่ทวนเข้าหาธาตุรู้ตรงที่มันดับกระแสของโลกียะลงไป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 ใช่เพมันทวนกระแสเข้าถึงาธาตุรู้นะอริยมรรคมันจะแวกสิ่งที่ห่อหุ้มอยู่จะแหวกออกนะแวกมากออกไปฉิตใจที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มที่เป็นอิสระขึ้นมาชั่วคราวสองสามขณะความไม่มีอะไรมีแต่ความสุขล้วนๆหนึ่งแต่พอเห็นครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งยังจําไม่ได้นะจำไม่แม่นหกเห็นสี่ครั้งแล้วมันจะมีปัจจเวกทวนทวนไปถึงนิพพาน ตรนขั้งที่หนึ่งสองสามเนี่ยปัจเจบกมันไม่ไปดูนิพพานมันจะไปดูกิเลสกิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังเหลือมันยังมีงานที่ทําตัวสุดท้ายไม่มีงานทํานะจะไปดูนิพพานดีแล้วคุณนําเกิงภาวนาดีคุณบางออนรู้สึกจิตใสขึ้นกว่าวันก่อนจังงเนะใช้ได้เลยสองทัานทองโยมมัวนิดนึงหรือออกไหมแต่ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยดีแล้ว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 หน้าที่เราอย่าไปช่วยมันคิดหน้าที่ก็แค่รู้ว่ามันคิดงั้นจิตปลุงแต่งไม่เป็นไรอย่าไปช่วยมันปลุกก็แล้วกันช่วยมันเพิ่มงานหาความทุกข์มาใส่ตัวเองพอพอคิดคำนี้ได้เนี่ยจะหยุดหยุดช่วยได้เร็วขึ้นเจ้าคะใช่งั้นต้องฟังเนี่ยฟังไปเรื่อยๆฟังจนใจมันซึมซับ ธ, ธรรมะนะแอมันปรุงขึ้นมาธรรมะมันจะสอนขึ้นมา บางคนมีเสียงประกอบนะมีเสียงหลวงพ่อประกอบนะบางคนมีภาพประกอบอย่างคนที่ฟังธรรมะหลวงพ่อฟังฟังไว้ต่อไปสมมตุติหลวงพ่อตายไปแล้วนะติดขัดอยู่มันขึ้นมาสอนได้นะไม่ใช่หลวงพ่อมาสอนนะมันขึ้นมาเองแหละโอจิตนะเป็นอัศจรรย์จิตเมื่อไงคุณบางอ่อนแล้วไงอีกไม่มีอะไรแล้วจะดีแล้วทำนี้เพ่งนิดนิดนะใช่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 เหนื่อยมากอจงใจกับพิมเหนื่อยนะเพราะมันกับพิมของมันเองนะสัตว์ไดรู้สักไปดูพอเพิ่งเพิ่งเห็นว่าเอ้ากับพิมเขาเองมาเช้านี่เองเป็นจีรพันธ์มีอะไรไหมมีโมหะนิดนึงแล้วมีอะไรไหมไม่มีโมหะหน่อยเอามิ้งเครียดนิดหน่อยค่ะเออเครียดเครียรู้ว่าเครียดแล้วไงอ่ะทําไงดีครับ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 เป็นกลางแล้วยังเสื่อมได้อีกวันหนึ่งเป็นกลางอยู่อีกวันหนึ่งไม่เป็นกลางก็ได้ยังเสื่อมได้ยังเป็นโลกิยะอยู่เน้อสังขารู้เบกขายานี้ยังเป็นโลกิยะวันนี้ก็ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณไม่ไม่มากอะค่ะเขาฝึกทางด้านพองยุคมาเราไปฟังดูของคุณอ้อยเราไปเังอ๋อลุกสิทธิ์อ้อยเอ้ทั้งลาปิดช้าก็ทางยุูพูดนะคะแล้วก็ไปทางหลวงพ่อจรัน แล้วก็พี่สาวโยนซีดีกับหนังสือมาให้ก็มาเปิดฟังตอนนี้ก็คือบางคืนที่นอนนอนไม่หลับเนี่ยก็ใช้ซีดีหลวงพ่อจนกระทั่งหลับไปและตื่นขึ้นมาก็ยังมีเสียงหลวงพ่อเป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อน ข, ข้างจะก็ไม่รู้<ห>จะได้อะไรเียนะมีเสียงหลวงพ่อแล้วเปิดซีดีอยู่หรือเปล่า <laughs> <laughs> เปิด <laughs> เปิดเปิดอมพีสามค่ะเปิดอ <laughs>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 เพราว่าไม่ใช่เหตุให้เกิดสติการกําหนดอนะอะไรทําให้สติเกิดทิระสัญญาเป็นเหตุให้เกิดสติคําว่าทิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือทิระเป็นคำ ว, ว่าสะเทียนนะั่นแหะทิระสัญญาการที่จิตมันจดจําสภาวะธรรมได้แม่นยําจะทําให้สติเกิดเั้นเราต้องหัดรู้จักสภาวะนะหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆ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 ไม่ใช่มีสติไปะระลึกรู้ว่าโกรธปุ๊บใช่แล้วมาบริกรรมแล้วลงหนอเนี่ยเพื่อให้เกิดกณนิกะให้ตัดสภาวะอันนี้ไม่ใช่แล้วสติอยู่ตรงใดตรงไหนกาน้กรสมาธิก็อยู่ตรงนั้นเกิดที่เดียวกันแตถ้าสติตัวจริงนะแสติสมาธิปัญญามเรียงร้อยอยู่ในจุดเดียวกันเวลาเกิดมรรคเนี่ยมรรคถึงเกิดที่เดียวกัน เียว่ามัคสมังคีนะพระป่าชอบเรียกความจริงมัคมีหนึ่งเท่านั้นมัคไม่ได้มีแปดมัคไม่ใช่ว่าสติอยู่ที่หนึ่งสมาธิอยู่ที่หนึ่งวันนี้ฝึกสติวันนี้ฝึกสมาธิอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อันเดียวเลยต้องขณะจิตเดียวที่เป็นปัจจุบันนั่นะต้องลงที่เดียวกันให้ได้นี้ทําไงมันจะเกิดสติสมาธิลงที่เดียวกันได้ก็าหาดู้จักสภาวะไปเช่นดูท้องพองยุบไปก็ได้ถ้าดูแล้วไม่เครียดถ้าดูแล้วเครียดแสดงว่าไม่ถูกจริต กรรมฐานอะไรทำแล้วเครียดแสดงไม่ถูกเจริตให้เปลี่ยนซะไปหาอืนอ่นทำทำแล้วสบายสบายก็ใช้ได้ทำแล้วก็หัดดูสภาวะไปเช่นดูท้องพองยุบใจแอบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดอย่าไปคิดหน่เพื่อให้เลิกคิดนะเราหัดรู้เท่านั้นอ้อใจไปคิดแล้วแล้วก็มาดูท้องพองยุบต่อไปใจหนีไปคิดอีกพอรู้ทันนะจะแอบไปดึง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 รู้ลมหายใจไปใจหนีไปคิดแปบบ๊บรู้ว่าใจหนีไปคิดใจไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าไปเพ่งลมหายใจดูท้องพองยุบ ก, ก็เหมือนกันดูแล้วใจหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าเพ่งท้องเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งท้องนะงั้นติดสมถะทั้งหมดแหละแล้วก็เกิดอาการเช่นคนลุกขนพองวูบวูบๆ้บบบน ะ, มะแมลงเล็กมแมลงใหญ่มาไต่หน้าอาการของปีติทั้งหมดเลยตัวลอยตัวโครงตัวเบาอะไรงี้ยบางคนลอยจริงๆริงนะลอยค้นพื้นเลย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 ใจหนีวิคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้นี่คนไหนไม่เคยฝึกกรรมฐานก็จะมีแต่ใจหนีวิคิดแบบแบบแแบบแแบบตลอดส่วนพวกที่ฝึกกรรมฐานมามีสองอันไม่เผลอไปคิดก็เพ่งเอาไว้มีอยู่สองอันเท่านั้นรวนแต่ผิดทั้งคู่